พระธรรมเทศนาแผ่นที่82ลำดับที่24โดยหลวงพ่อหยินถวายแสจตดสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวั ด, ดอดุรรธานีแสดงธรรมในวันที่24พฤษภาคม2558มีชื่อเรื่องว่ายึดบัณฑิตและผู้รู้เป็นครูอาจารย์ ค่ะเดี๋ยวเชิญญาติธรรมกล่าวอรัตนาธรรมพร้อมกันนะคะลมมาจะรโลกาทิปติสหาปฏิกัดอัญชลีอันทิวาลังอายาจธาสันติทัสสตา巴拉คชาติกาเทเสตุธรรมมังอนุกรรมปีมังประชัง เ, เห็นคณะศรัทธาญาติโยมลูกลานเป็นกลุ่มหนึ่ง ที่พวกเราได้รวมกันการปฏิบัติธรรมทุกวัน อ, อาทิตย์หรือว่าเป็นวันไหนลงพ่อก็ยังไม่ได้สืบสอบดูรายในรายละเอียดแต่ก็ได้ยินข่าวมาเรื่อยๆว่าครูบาอาจารย์แต่และองคอ์มาแสดงธรรมอยู่ที่วัดอโศการามมาให้แนวความคิดแสดงความคิดเห็น ให้ธรรมะกับพี่น้องประชาชนลูกหลานาลุงพ่อได้ยินแล้วก็คล้ายๆกับคนกลุ่มใดก็ตามใยในเหตุผลใยในธรรมะคนชุมชนกลุ่มนั้นก็จะได้รับความสงบเป็นสุขทางด้านจิตใจเพราะใยในการศึกษาใยในการเรียนรู้ เพราะนั้นครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่ท่านมาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวท่านก็คงจะไม่ว่าไม่ว่านโมตัสะเหมือนกันทั้งหมดท่านก็คงจะแนะนำแนวความคิดเห็นของท่านแต่ละองค์องค์นี้ท่านปฏิบัติมาอย่างไรท่านรู้เหตุอย่างไรท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่านก็จะได้นำมาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้กับคณะทาญาจโยมลูกหลานได้เรียนได้ศึกษา เพราะนั้นพวกเราได้เข้ามาศึกษากับครูบาอาจารย์แต่ละองค์อง น, นี้ท่านพิธีการของท่านท่านสอนในแนวหนึ่ง เ, ออเราก็ได้รับความรู้ในแนวความคิดของท่านไปแต่องค์หนึ่งเข้ามาอีกท่านก็นแนะนำอีก เ, ออเราก็ได้รับความรู้ความฉลาดจากองค์ท่านไปนี่แหละสรุปแล้วก็คือครูบาอาจารย์ที่มาม า, มากหลากหลายในแนวความคิดแต่ทึงยังไงท่านก็จะต้องแสดง คุณธรรมศีลธรรมจะริยธรรมที่ดีสําหรับพวกเราแต่ถึงยังไงถึงท่านจะแสดงออกนอกลู่นอกทางเราก็ไลยเรียนรู้อีกเหมือนกันว่าเออท่าน อ, อ, องค์นี้ท่านมาแสดงนะท่านทําไมพูดท่แม่งท่าแม่งอย่างนี้ออไม่เข้าไปทํานองคลองธรทำกูบาลจาน อ, อ, อย่างนีเออ้เราก็รู้หรอกเราก็จะไม่นีนวยนวนหรือว่าออการปรารถนาท่านมาอีกเพราะว่า แนวความคิดของท่านกับเราไม่ตรงกันสิ่งเหล่านี้พวกเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใดพวกเราได้รับการศึกษาที่ดีแล้วพวกเราจะแยกแยะออกว่าอันไหนควรไม่ควรอย่างไรเพราะฉนั้นในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านได้สาเร็จได้ฟังธรรมรู้เรื่องอกับองค์หนึ่งอย่างยกตัวอย่างอย่างให้เห็นชัดๆก็คืออย่างพระโมกอย่างพระ อ, อนนท์ ทั้งที่พระอานุนพริตพระอนุชาบวชมากับพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่นานเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบแต่ท่านก็ได้ฟังธรรมของพระเถระท่านหนึ่งที่ผู้มีเสียงไพเราะนะแต่หลพ่อจำชื่อไม่ได้ในขณะนี้เพราะมันโพเป็นออกมาเป็นบางครั้งนะพอท่านพระอนุนได้ฟังท่านก็ได้สําเร็จพระโสดาบันกับพระเถระองค์นั้น แต่ถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วทำไมพระนุนจึงไม่ได้สำเร็จกับพระพุทธเจา้าแต่ทำไมท่านจึงได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันกับพระเถระท่านนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าเวลาฟังเข้าไปมันซึ้งในใจพอฟังเข้าไปซึ้งในใจพระพุทธเจ้าพูดก็ซึ้งอยอู่แต่ไม่ถึงใจในจุดนั้น แต่พอฟังพระมหาเถระท่านนี้พูดเข้ามาแสดงธรรมเข้ามาท่านเข้าใจในธรรมของพระเถระท่านนั้นท่นานก็ได้สาเร็จเป็นพัสดูดาบันอันนี้มาในพระไตรปิฎกนะคณะทายาทโยมลูกหลานเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายการฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์คนหนึ่งอาจจะถูกกับจรินตนิสัยกองค์หนึ่งแต่องค์หนึ่งอาจจะถูกกับท่านองค์หนึ่งแต่องค์ที่ไม่ถูกนิสยัยแต่องค์อื่นถูกนิสยัย เราก็ฟังเอาไว้อย่าเราอย่าไปปราฏิครูบาอาจารย์ของของแต่ละองค์ เ, เมื่อเราไม่เข้าใจในจุดนั้นเราจะไปปาฏิรูถกเหยียดยามทันเฉลยมันก็ไม่ได้องค์ที่เขาฟังคนที่เขาฟังเขาเข้าใจในธรรมเทศนาออของครูบาอาจารย์องค์งงนั้นเพราะนั้นสิทธิ์สิทธิ์ใครครูครูใครอาจารย์เรามันมีอยู่ตั้งแต่ดึกดาบันมาแล้วนะ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านเข้ามาศึกษาไฝ่ศึกษาปฏิบัติในธรรมะนะก็ให้เปิดใจให้ฟังให้ศึกษาให้เรียนรู้ในภาคกิตภาวนาบางทีท่านก็นอาจจะสอนในแนวหนึ่งแต่ว่าถึงยังไงก็อยู่ในสติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมนะั่นหละหลวงพ่อว่านะไม่นอกไม่นอกเหนือไปกว่านี้นะต่อ น, นี้ตอ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นนะัดนี้นะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโหตโสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัณฑิตานันจะเซวนาปูชาจะปูชนียานังขยะ วยะธรรมาสังฆาราอัปปมาเดนะซัมปาเดธาตีติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคพุทธศักราชองพันห้ารอยห้าสิบแปดเป็นวันที่หลวงพ่อได้มาแสดงธรรมให้กนานจัทธาญย่โจมหมู่พระสงฆ์น้องนุ่งทั้งหลาย ที่วัดอสูรกา ร, รามแห่งนี้แต่หลวงพ่อเคยมาแสดงหลายครั้งแต่หลวงพ่อก็จําไม่ได้ถ้าจะเรียงลาดับไปอาจจะผิดพลาดก็ได้เพราะนั้นหลวงพ่อจะไม่พูดแต่ว่าเคยมาแสดงธรรมให้กับคณะสัาญญาตยาธิโยมลูกหลานฟังแต่คราวนี้สัาญญาตยาธิโยมลูกหลานได้กล่าวประรลัณาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่ขัดข้องเมื่อมีโอกาสพอหลวงพ่อได้ลงมากรุงเทพเมื่อวันก่อน เมื่อวานหลวงพ่อกับชันอยู่ที่จิตโภชนาปากแต่วันนี้ก็ฉันอยู่ที่สวนแสงธรรมเขาจัดเป็นภาพป่าสามคัคคีสุดท้ายของเดือนพุกเดือนคือที่วัดสวนแสงธรรมที่สวนแสงธรรมวัดของหลวงตาของพวกเราแต่พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมกันล้นหลามเมื่อเช้านีมพระสงฆ์ก็มากพอสมควร เนี่แหละต่อมาก็คณะสัตยาครูบาอาจารย์ทางน้องนุงทางหลายสัทยาญาติโยมก็ได้กลาบอภิธานาหลวงพ่อหลวงพ่อเออคงมีโอกาสอยู่เวลาอยู่หลวงพ่อจะได้ตัดสินใจมาพบกับพี่น้องประชาชนสัท ธ, ธาญาติโยมลูกหลานในวันนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่พวกหลวงพ่อได้มาพบกับพวกเราเพราะวัดอโศการาม เป็นวัดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านทั้งหลายคือเป็นต้นตระกูลสายหลวงปู่มั่นเพราะเหตุไรเพราะว่าหลวงพ่อลีธรรมทโรที่เป็นผู้ริเริ่มที่สร้างวัดอโศการามแห่งนี้ท่านก็เป็นศิษย์ยาวในศิษย์ของหลวงปู่มั่นเพราะนั้นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น เป็นต้นตระกูลเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานสายของพวกเราแต่นี้พวกเราให้ศึกษาแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราถ้าพวกเราได้ศึกษาดูแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้นตระกูลของพวกเราเนี่ยให้ปฏิบัติตนอย่างไรท่านจะให้เคร่งในศีลสาหรับพระนะพระท่านจะจ้องให้อยู่ในหลักพระธธรรมวิ น, นัย ให้เป็นศาสกับุตรที่แท้จริงของพระพุทธเจา้าให้จงรักภักดีต่อพระพุทธเจา้าต่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าต่อพระต่อพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นพวกพระที่เข้ามาบวชท่านก็เห็นเน้นหนักเรื่องศินและวิเนยให้รักษาศินอย่างไรที่เป็นพระสงฆ์ให้มีศิลสองร้สิบเจ็ดสมบูรณ์จากนั้นกน็เมื่อมีสินดีแล้วเมื่อนั่งสมาธิ สมาธิก็จะเข้าไปจิตใจก็จะได้รับความสงบตามขั้นตอนในเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาวิปัสนาก็จะเป็นปัญญาที่แท้จริงอันนี้ก็คือแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายแต่สำหรับศรัทธา ญ, ญาติโยมท่านก็สอนให้เป็นผู้มีทานให้เป็นผู้มีศีลห้าศีลอุโบสถจากนั้นก็ให้มีภาวนา เออวยนะอันนี้ก็คือการสอนแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวล้วนแล้วแต่เป็นคุณงามความดีสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าพบบัณฑิตนักปราชญ์อย่างที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นว่าบัณฑิตา น, นจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังที่พวกเราเกิดมาทั้งทีชีวิตเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทย เกิดมาแล้วพวกเราก็ควรจะสาะแสวงหาผู้ที่เหนือกว่าเราผู้มีจิตปัญญาเหนือกว่าเราเป็นคนดีกว่าเรา เ, เ, เราเกิดขึ้นมาแล้วให้ครบค้าสมาคมบัณฑิตนักปราชอบัณฑิตานั้นจะเสวนาให้ครบค้าสมาคมหาบัณฑิตนักปราชับัณฑิตนักปราชัยคำนี้ก็คืออะไรอันบัณฑิตนักปราชทีแรกก็คือเราได้เกิดมาแล้ว ได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสังสอนว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านทํามาอย่างนี้อย่างนี้จากนั้นพวกเราก็ได้เข้าไปฟังและศึกษาจากนั้นก็ไปเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์คือนักปราชญ์ที่พวกเรายอมรับก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างอบซ่าหลวงปู่เสาหลวงปู่มันเ อ, อ่อหลงท่านพ่อหลีของพวกเราหลวงตามหาบัวอย่างเนี้ย ในเมื่อเราเข้าไปศึกษาท่านก็แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวท่านเป็นนัก บ, บปลาด์คือทำคาสอนของพระพุทธเจ้าคือปลาย์อยู่แล้ว เ, เป็นมหาปลาย์แต่ทีนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านก็เป็นผู้ไฝ่เป็นผู้ศึกษาปฏิบัติตนปฏิบัติกายวาจาใจของท่านสารวมกายวาจาใจของท่าน เ, เป็นเยียบจากนั้นท่านก็ทำพระธรรมนพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่ท่านได้ศึกษาดีแล้วนั้นมาบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานี่แหละอันนี้เมื่อเราได้รับทราบว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเป็นผู้รู้เออเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกเราเกิดเข้าไปยอมเป็นศิษยานุศิษย์ของท่านนี่แหละเราไปคบค้าสมาคมผู้ที่เหนือกว่าเราที่เราถือว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าเป็นนักปราชญ์เออที่พวกเรายอมรับ นี่แหละวะบัณฑิตตานั้นจะเสวนาให้ครบบัณฑิตนับปาร์แล้วก็บูชาจะปูชนียหนังบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เป็นบุคคลหรือว่าเป็นถึงจะเป็นนามธรรมก็เป็นนามธรรมที่น่าเคารพ บ, บูชาอย่างยิ่งเพราะเราได้ศึกษาพระพุทธเจ้าประวัติของพระองค์แล้วพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว พระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลหรือถึงปัจจุบันนี้ก็เถอดนะเราก็ยอมรับว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราควรจะบูชาอันนี้ก็คือบูชาบุคคลที่ควรบูชาจากนั้นก็มีโยมมีคุณพ่อคุณแม่ของเราแต่ละคนเราเกิดมาจากท่านผู้ใดเราก็ให้ความเคารพยกย่อ ง, งเชิดชูบูชาเรียกไดว่ามาตาปิตุ คือพ่อแม่ของพวกเราจากนั้นก็วัยาวุฒิคนวุฒิผู้มีพระคุณสาหรับพวกเรานะอันนี้ก็มีมากมีมากหลากหลายทีนี้เราจะบรรยายเข้าไปกว้างขวางเลยทีนี้ออันนี้คือบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลแต่ละคนไม่เหมือนกันน ะ, ะบางคนก็เนี่ยอย่างแต่ละพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่บางคนก็เาคารพบุญบาอาจารย์บูชากูบาอาจารย์องค์หนึง่งท่านหนึง่ง อ, อันนี้แหละ อันนี้คนหนึ่งเขาเคารพกูบาอาจารย์ของแต่ละองค์แต่ละคนแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ตามให้พวกเราเลือกครบรูคลค น, นั้นเป็นคนดีบุคคลที่ควรบูชาสำรวมกายวาจาเรียบร้อยเป็นผู้มีศีลมีผู้เป็นผู้มีธรรมมีเป็นผู้มีคุณธรรมใน จ, ใจิตใจแต่ถึงยังไงก็ตามสิมาสรุปม้วนลงมาก็คือพวกท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลาย อย่าตั้งอยู่ในความประมาทจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญที่ิถึงจะครบบัณฑิตนักปราชญ์ครบอะไรก็ตามให้ย้อนมาหาดูตัวพวกข้าพเจ้าตัวของเราทุกท่านเองสิพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้ามองความว่าประมาทคํานี้ก็คือคิดว่าเราอยู่เป็นวันๆเดือ น, อนๆปีๆไม่ได้คิดไม่ได้อ่านไม่ได้ใช้สติปัญญาอะไรเลยอันนี้แปลว่ามันไม่ถูกนะ เพราะนั้นเราควรจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็คือตรวจตราการเป็นอยู่ของพวกเราให้สัมรวมกายวาจาของเราให้เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีอย่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในเรื่องนั้นในเมื่อเร า, อาตั้งอยู่ในความประมาทเราคิดทำพูดแต่สิ่งที่มันดี ถ้าเราคิดทำพูดสิ่งที่มันชั่วกรรมชั่วตัวนั้นจะให้ผลติดตามมาในเมื่อกรรมชั่วให้ผลติดตามมาใครละ่ะจะเป็นคนเดือดร้อนตนเองนั่นแหละจะเป็นผู้เดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราทุกท่านให้ตัวตาดูจะตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแบบง่ายๆกว่าพวกเราท่านทั้งหลายอย่าอยู่ด้วยความประมาทอยู่ด้วยความเตรียมพร้อมอยู่ด้วยการคิดการอ่าน การค้นคว้าศึกษาประกอบคุณงามความดีเข้าใส่เข้าสู่จิตใจของพวกเราเพราะพวกเราไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้นะในหลักธรรมคำสอนของพระพทุทธเจ้าแล้วพวกเราไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้พวกเราออกจากนี้แล้วพวกเราจะต้องอายุของพวกเราเกิเกดขึ้นมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วไม่สูญจุดที่ไม่สูญนั่นแหละที่เราจะต้องไปเกิดในป a r a ก l e l p พบ ภายภาคหน้าเนะี่ยจุดนั้นะเป็นจุดที่เราจะต้องศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเนี่ยะในร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งด้วยอยู่ด้วยกันทั้งหมดมีอยู่สองนะฮะกายกับใจแต่พวกเราเห็นแต่เ ห, ต, เหตุกายร่างกายของพวกเราเห็นแต่ว่าจิตใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรนั้นไม่มีไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครมองเห็นกันแต่ถึงยังไง ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายเรื่องของกายเนี่ยเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายในที่สุดไม่มีใครที่จะหลีกนี้หลีกลี่หนีผลไปได้เรื่องความตายแต่ถึงอย่างไงแต่ใจนั้นยกให้สูงก็ได้ยกให้ต่ํำก็ได้ทำให้ต่ํำก็ได้ทําให้สูงก็ได้เพราะฉะนั้นในหลักธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษา ที่โครนต้นโพที่พุทธกยาที่ประเทศอินเดียที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนนนั้นท่านตัดรู้พระธรรมที่ท่านได้ไปค้นขว้าศึกษาท่านไปทดลองอยู่ตั้งหกปีไปข้นขว้าศึกษาแต่วันเดือน6เพนนเนี่ยท่านได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณท่านบอกว่าเมื่อนั่งสมาธิเข้าไปแล้วนั่งขัดสมาธิเข้าไปแล้ว ใจของพระ อ, องค์พระไทยของพรโง์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดยานะครัทตะนะเกิดฌานขึ้นมารับรู้ได้ว่าปุเพนี่วาสานุสติยานรละลึกชาติผลหลังได้เนี่ยนี่แหละระลึกชาติผลหลังได้แค่แค่ว่าตายแล้วไม่ศูนตายแล้วเกิดอีกมีกี่ภพกี่ชาติยาวเหยียดเลยทีนี่เอแต่ละท่านแต่ละคนอืเพราะฉะนั้นจึงบอกได้ว่าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ต้นตระกูลของเราคือพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยไว้เลยว่าตายแล้วไม่สูญแต่คนหูหนวกตาบอดจะเป็นใครก็ตามบอกว่าตายแล้วไม่เห็นมาบอกมากราบตาและสูตรต้องศึกษานะต้องศึกษาถ้าลึกถาได้ศึกษาตามหลักธรรมคําสอนของพ่อแม่ปู่ปอาจารย์ตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราท่านทั้งหลายจะยอมรับกันทั้งหมดไปถามด้วยสิอย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตาหมาปัวท่านพ่อหลีอย่างเ น, น, นี้ย เออหลือวกครูบาอาจารย์รุ่นพวกเราท่านทางหลายก็เถอะที่ผู้ปฏิบัติจิตภาวนาเป็นผู้ใส่ใจในเรื่องภาวนาไปอยู่ในป่าโรงพงไพ่ยอยู่ในป่านั่งภาวนาท่านรู้ได้ทั้งหมดว่าตายแล้วไม่สู่เห็นได้ชัดด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเรานั่งภาวนาจิตสงบลงไปแล้วน่ยจะรู้ได้ด้วยตนเองร่างกายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันกันชัดเจนเลย เนี่ยพระพุทธเจ้าจะว่ท่านรู้เลยว่าปุเพนี่ว่าสานุจติยาระลึกชาติขนหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจุตูปะ ป, ะปะตาตยานการจุติการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างพวกเราที่มาจากไหนมาเกิดที่นี่ออกจากนี่แล้วจะไปที่ไหนแต่ทําไมคนเราจึงไม่เหมือนกันรูปร่างกายตัวไม่เหมือนกันความโง่ความฉลาดไม่เหมือนกันความร่ํารวยไม่เหมือนกันใช้กรรมไม่เหมือนกัน กรรมในปัจจุบันนี่แตกต่างกันคนหนึ่งทำหนึ่งคนหนึ่งทําหนึ่งท่านหนึ่งอแต่ทำไมไม่ไม่เหมือนกันรูปร่างกลางตัวก็ไม่เหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะพระธองค์ก็ดูดูแต่ลดวงวิญญาณท่านก็บอกว่ากรรมกรรมกรรมจำกรรมกรรมจําแนกให้สรพรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแตกแตกต่างกันคนความคิดพวกเราคิดก็ไม่คิดเหมือนกันการกระทําก็ทําไม่เหมือนกันการพูดก็พูดไม่เหมือนกัน ในเมื่อทาการทำกรรมทำได้สามทางมันโนกรรมคือความคิดกายกรรมคือการกระทาวจีกรรมคือการพูดในเมื่อการคิดการทำการพูดไม่เหมือนกันเวลาเรารับกรรมใจดวงนั้นไปรับกรรมกรรมดวงนั้นกรรมตัวนั้นก็เข้ามาสู่จิตใจกรรมก็จำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแตกแตกต่างกันเนี่นพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ในวันเดือนหกเพล จากนั้นจวนสว่างท่านก็ได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณชำระพระไทยใจของพระองค์จนหมดจดจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราไม่เกิดอีกแล้วเราชำระแล้วสิ่งที่ จ, ทจะทําให้เกิดท่านอันนี้คือแนวแถวของพุท ธ, ธะที่ท่านได้ตัดสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเข็ญ น, นั่นนะนะนะนะคือพระพุธทธเจ้าจากนั้นเรามา ย้อนดูที่ว่าพระพธธุทธเจ้าอันดับแรกแต่ก่อนท่านก็บรรงเพลนทองลองผิดร อ, องถูกลองถูกรองผิดเป็นเวลาทั้งหกปีการที่จะนั่งภาวนาเพราะนทีท่สุดท่านก็ได้ปุบเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้จนนี้เป็นบันไดขั้นแรกเพราะฉนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพธธุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายนะพวกเราท่านทั้งหลายให้สังเกต จะเป็นครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านใดก็ตามมาแสดงคำแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพวกพวกเราให้พวกเราสังเกตว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความเรื่องให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายท่านบอกมโนโปุพังขมาธรร ม, มามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นใจเนี่เป็นใหญ่แต่น่าจะทํำยังไง จึงจะทำใจจิตใจของเราให้อยู่ในกรอบอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีในเมื่อใจของเรามีคุณธรรมมีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วเราเข้ามาของร่างกายอันนี้กายนี่ก็อยู่ในกรอบของศีลธรรมเหมือนกันเพราะว่าใจของเราได้รับการอบรมเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้สิรู้จักสิ่งควรไม่ควรแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้รับอบ ใจของเราไมไไ่ได้ได้รับการอบรมที่ดีนะใจของเราเป็นพาละชนคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วเมื่อเมื่อเข้ามาสู่ร่างกายของเราร่างกายของเราก็เป็นกายเป็นชั่วไปด้วยเหมือนกับผมหลวงพ่ออะไรเปรียบเทียบให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเห็นได้ชัดกับมว่าร่างกายของเราเหมือนกับรถแต่จิตใจของเราเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่รถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับ แต่นคนที่จะไปได้เขาต้องอาศัยรถ <c oughs> ใจของเราก็เช่นเดียวกันเข้ามารอกมามาอยู่ในร่างกายของเรามาครองร่างของเราเนี่ยเราจะกายใจของเราเนี่ยจะมาครองร่างในเมื่อใจของเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จักสูงรู้จักทุกข์รู้จักต่ํารู้จักกาละเทศะการสถานที่บุคคลใจดวงนั้นเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้มีปัญญา เป็นผู้รอบรู้ในเรื่องต่างๆในเมื่อเขามาครองร่างกายมาคลองรถคันนี้รถคันนี้ก็มีมารยาทในการเดินกันะจะขับไปที่ไหนก็เลเ ว, วีงระวังเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่า <c oughs> โซเฟอร์มีคุณธรรมในจิตใจโซเฟอร์เป็นคนมีคุณธรรมแต่ถ้าว่าโซเฟอร์ไม่มีคุณธรรมเข้ามาขับรถคันนี้แหละ มีแต่อโรโมโหโกรธาไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เมื่อขับรถคันนี้รถคันนี้ก็น่ะเป็นนักเลงไปเลยทีไหนเออชนดะไปเลยทีไหนเหยียบใครไปเลยเห็นหมูเห็นหมากาไกรเห็นสัตว์เห็นสิ่งไม่และวะละเว้นทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะไม่เห็นคุณค่าเพราะใจเพราะโซเฟอร์ไม่มีคุณธรรมเพราะนั้นสมควรยิ่ยงพวกเราท่านทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกา พะเนรน้องหลุงทั้งหลายควรสมควรยิ่งจะต้องอบรมจิตใจให้มีให้มีคุณธรรมให้มีศีลธรรมมีจริยธรรมในเมื่อของเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาดีแล้วนะใจของเรามีเหตุมีผลแล้ว น, ะนั่นแหละเลิศประเสริฐอันนี้แหะพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเพราะพระตเจ้าท่านให้กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกท่านนี้หลวงปู่มั่นท่านบอกเออลูกหลานเลย เ, เมื่อภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหนุบดูดมันหลุดได้ง่ายนะมันเผลอได้ง่ายนะให้บริกรรมสำทับพดโถเขาด้วยนะนี่แหละอันนี้คือความเป็นมาของพดโถจากนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านพ่อลีก็ตามหลวงปู่ฝั่นก็ตามหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์หลวงปู่อ่อนหลวงปูตง่ต่างๆหลวงปู่กงมาที่เป็นลูกศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่มั่น ยอมรับการทางนั้นว่าต้องมีบริกรรมพดโรด้วยหายใจเข้าพธหายใจออกโธหายใจเข้าพดหายใจออกโธนี่แหละคือกรรมฐานที่จะยึดจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบได้แต่เวลาบริกรรมเวลาบริกรรมพดบริกรรมโทเหมือนให้เหมือนเรายืนอยู่ข้างประตูศาลาหลังนี้แหละเรายืนอยู่ข้างประตูเวลาคนเข้ามา เราก็รู้ว่าคนเข้ามาอย่าไปตามคนเข้ามาข้างในสรุปแล้วก็คือเรายืนอยู่ข้างประตูเวลาคนออกไปเราก็รู้ว่าคนออกไปเวลาคนเข้ามาเราก็รู้ว่าคนเข้ามาให้มีสติสัมปชัญญะในปลายจมูกเท่านั้นสรุปแล้วก็คือเราไม่ต้องตามลมเข้ามาในปอดของเรา เราไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกเพียงแต่ให้สติรู้อยู่ว่าลมเข้ า, เ, าเราบริกรรมว่าพดลมออกเราบริกรรมว่าโถนี่แหละคือกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นเมื่อเราบริกรรมพดโถพดโถพดโถไม่มีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความใส่ใจอย่างลึกซึง้งมีความใจใจอยู่ตลอดอย่างเหนียวแน่น เราจะไม่ให้มันเผล อ, อ, อไม่ให้เผลอจะออกจากปลายจมูกของเราวิกรรมออกเวลามันเข้ามาพดวิไลออกไปก็โธพดโธพโธในเมื่อเรามีความพยายามมีความตั้งใจตั้งใจมีความมุ่ง ม, มั่นอยู่จากอีกสักวันหนึ่งไม่วันใดก็ต้องวันเเราจะต้องจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบนะแต่ว่าการที่จะนั่งภาวนานั้นเราต้องหามุมความมุมหาหามุมสงบนะ พี่น้องลูกหลานประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมนะต้องหามุมที่สงบจะเป็นห้องพระหรือจะเป็นสถานที่ใดก็ตามไม่พุกพ่านฟุ้นหวเราปิดโท ร, โ ท, รทัศน์วิทยุปิดโทรศัพท์ของเราไว้ซะก่อนในช่วงที่เราจะนั่งภาวนาอย่าให้สิ่งนั้นมาลบอวนขณะที่เรานั่งภาวนาไม่ให้มีเรื่องวิตกกังวลอะไรทั้งหมดมันจะรวยมันก็รวยมาแล้วมันจะจนมันก็คงจะจนมาแล้ว เราจะนั่งภาวานาหนึ่งชั่วโมงวันนี้24ชั่วโมงเนี่ยเราจะนั่งภาวานาหนึ่งชั่วโมงเนี่จากนั้นเราก็ปิดวิทยุโทรทัศน์เป็นเอกเทศที่สุดของเราถึงจะนั่งในห้องสองตายายก็เถอะนึกจะห้องห้างไฟก็ต้องต้องทํากติกากันไว้เวลาเท่านั้นแหะเราจะนั่งภาวานาห้ามกระดุกกระเดกจะห้ามสงเสียงห้ามไม่มีอะไรจากนั้นเราก็นั่งภาวานากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุโทโตนั่นแหละจากนั้นใจของเราปฏิบัติถูกอย่างนี้เราก็จิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบจิตใจเป็นหนึ่งหรือมันจะวาดเออเออคล้ายๆว่ามันมีมันเหมือนจิตใจของเรามันเข้ามารวมเป็นชั่วขณะหนึ่งอันนี้เรียกว่าคณิกะคณิกะสมาธิ คณิกาไปว่าเข้ามาเฉียดๆเข้ามาประเดี๋ยวประดาวจิตใจที่รวมสงบเป็นครั้งคร่าเพียงนิดหน่อยอันนี้อั น, น, อ น, นเรียกว่าคณิกะสมาธิเพียงคณิกะสมาธิเท่านี้แหละก็จําไม่ลืมนะข้าราทกาญาติโยมลูกหลานมันผิดแปลกแตกต่างกว่าจิตธรรมดามากๆแต่จิตธรรมดาเนี่ยมั น, ม, นมีความทุกข์เหมือนมีอะไรแต่บัดนี้ใจของเราเนี่ยเหมือนกบบระสัปัดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออก แล้วก็อาบน้ําำเย็นสบายชโลมชโลมของที่สะอาดเข้ามาชั่วขณะหนึ่งเพียงประเดี๋ยวประเดาเานั้นแหละ เ, เราก็มีความสุขใจโอ้ทําไมใจของเราในช่วงเพียงประเดียวไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีทําไมใจของเรามีความสุขถึงขนาดนี้นะ่า เ, เราจะจําไม่ได้เอ๊ะนั่งอีกคราวหนะ้าเอาอีก จ, จะให้มันเป็นอย่างนั้นมันจะไม่เป็นนะใช่ไหมเพราะเหตุไรเพราะเราอยากใช่ไหย พอเราอยากมันจะเป็นมันจะเป็นไปด้วยบริกรรมเข้าไปมันจะเป็นแล้วมันลืมพุทโธแท้เนี่ยพอมันลืมพุทโธเข้าไปเท่านั้นแหละมันกิมันกับจิตไป็นใจออกไปซากเนี่ยแต่เนี่เมื่อเราเอาละเป็นไม่เป็นไม่เป็นไรละเราจะภาวนาตามปกติเอเราจะบริกรรมให้มันอยู่เราจะเอาเหตุให้มันอยู่ผลเราไม่ต้องหวังแล้ะมันจะเป็นยังไงก็เป็นเถอะนี่แหละมันจะสงบอีกเอง นี่แหละให้สังเกตรปุณณะขันธ์ตถาญาติโยมลูกหลานนะในเมื่อจิตสงบหลายครั้งแต่เราเราก็รู้จักวิธีละท่านวิธีการปฏิบัติเนื่องในเรื่องสมาธิละท่านเออเราก็ไม่ใส่ใจว่ามันจะเป็นยังไงมันจะออกมายังไงเราไม่สนใจละท่านเราก็บริกรรมอย่างเดียวยึดพดโถอย่างเดียวให้เหนียวแน่นจากนั้นใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบเรื่อยเรื อ, อาจากนั้นก็จะเป็นอุปจารสมาธิเข้ามาอุปจารสมาธิก็คือจิตใจของเรา ไม่ปุ่งไม่ฟุง้งถึงจะปุ่งฟุง้งแต่ก็ไม่ฟุ้งออกนอกรูนอกทางมีสติสัมปชัญญะคล้ายๆกับว่าถ้ามีหมาที่จะเป็นหมาดุก็มีเชือกมัดคออยู่ในมือของเราคือสติมัดไว้อยู่นะมัดกับหลักไว้อยู่มันจะไม่เพ่นพ่านวุ่วายไปที่อื่นให้ข้าวาจะให้มันไปที่ไหนมันก็ไปเพราะมีสติสัมปชัญญะคุ้มครองอันนี้ระบบจิตที่เป็นอุปจารสมาธินะ่ะ อที่เจ็ดที่เป็นอัปปนาสมาธิเยแปลว่ามันจิตเ อ, อหมาตัว น, นั้นะมันนอนเน่งเลยอยู่สงบเน่งอยู่กับที่เลยนะ่ะ อ, อมันเน่งนี่แห ล, ละอันนี้ก็คือจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตที่รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนะเราจะไม่รู้รู้ไม่รู้จักเสียงร้องเสียงร้องเสียงไก่ขันเสียงการเสียงงานเสียงฟ้าผ่าเสียงรถเสียงราเสียงอะไรไม่ได้ยินทั้งหมดเลยขนาด ร่างกายของเรานั่งอยู่ณสถานที่ใดเราก็ไม่รู้อีกต่างหากว่าเรานั่งณสถานที่ใดแม้มันจิตรวมสงบแต่สติกับจิตจิตกับสติสติเป็นอันใดจิตเป็นอันใดจิตกับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อเมื่อจิตรวมเป็นอันหนึ่งอเดียวกันไม่รับรู้ออกมาทางกายจากนั้นจะชั่วระยะหนึ่งหมดกําลังของมันมันก็ถอนขึ้นมาในเมื่อถอนขึ้นมาเราก็รู้ได้เลยโอ้โหจิตใจของเรามีความสุขจริง พระพุทเจ้าท่านตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีโอ้เป็นอย่างนี้จริงหนอนเราจะสัมผัสเราจะรู้รู้ได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นขอให้คณะทตา ญ, ญาตโยมลูกหลานทุกคนนะปฏิบัติดูนะจิตเพียงประเภทเท่านี้ล่ะเราจะอย่างรู้ได้เลยว่าตายแล้วไม่สู่ตายแล้วเกิดอีกแน่นอน เ, อเพียงจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิเท่านี้แหละยังไม่ถึงฌานยังไม่ถึงตัตสรู้ เป็นพระโสดาสกทาค า, านาคาก็เถเพียงจิตรมไม่เป็นเอกเทศจิตรวมเป็นหนึ่งตนี้เราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเนี่ยใจกับร่างกายเป็นคนลัดวนกันเป็นคนละอันกันร่างกายแต่ตายสลายสู่ดินน้ำลมไฟแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่นามัทธร์ทำตัวรู้รู้เนี่ยที่จิตสงบตัวนี้แหะตัวนี้แหละจะพาไปเกิดในพพภูมิต่างๆนี่แหละ เมื่อเรานั่งภาวนาเป็นพื้นฐานจิตใจของเราสงบอย่างอย่างนี้แล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะท า, า, ายาทโ ย, ยมลูกหลานทุกคนนะให้ศึกษาในภาคปฏิบัติเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วเท่านั้นั่งภาวนาที่ไรก็จิตใจสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ถึงยังไงก็ผ่านความสงบมาแล้วนี่แหละเมื่อจิตใจผ่านความสงบมาแล้วเจะไปจิตใจก็เป็นอุปจาระ มันก็อยู่ในการบังคับความของความรู้ถึงจะไม่เนิ่งผ่านเป็นอัปปนาสมาธิแต่เป็นอุปจารสมาธิเพียงแค่นี้เราก็เป็นที่พอใจแล้วจากนั้นเ อ, อเราจะเดินทางจะไงจากนั้นพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำเออเมื่อจิตผ่านความสงบพอสงวนแล้วก็ให้นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาแลยวว่าวิปัสนาเดินวิปัสนานี่แหละอันนั้นคือสมัทานะ สมสถะคือทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วเมื่อถอนออกจากความสงบแล้วไม่ใช่มันจะถอนไปเองไม่ใช่นะไม่มีทางนะคณาสัตยาจ่าโยมลูกหลานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านยืนยันเลยว่าจิตที่เข้าสู่ความสงบแล้วจะเป็นเป็นสมาธิและเป็นออกไปเป็นเดินวิปัสสนาเองไม่มีทางท่านบอกอย่างนั้นเลย เ, เพราะนั้นเราก็ต้องศึกษาในจุดนี้อีกเหมือนกันในเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบ พอพอสมควรแล้วเราก็ต้องถอนถ้าเป็นอุปเป็นอปปนาสามมเราก็ต้องถอนออกขึ้นมาเป็นอุปจารอุปจาระสมาธิจากนั้นก็ น, นำมาพิจารณาพิจารณาอะไรเี่ตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ก็คืออันให้พิจารณาของจยับหยาบาก่อนออใจของเราเนี่ยมันหลงอะไรท่านว่ามันหลงกายนะ่ะหลงกายนะมนุษย์ของเราเนี่ยหลงกายนะ่ะ สำคัญกายว่าเป็นของตัวเองแท้ๆเพราะเกิดมาออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เข้ามาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับใจกับกายกายกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะเออเหมือนกับเราไปขับรถออกมาแล้วจะหว่ารถเนี่ยเป็นของตัวแท้ๆนะมันไม่ใช่นะอีกสักวันหนึ่งรถมันพังนะเออรถมันหมดสภาพนะแต่มันเสียหายไปได้นะจะไปถือว่ารถคันนี้เป็นของเราจิรังถาวรไม่ได้นะนี่แหละอันนี้ก็คือพระธรรมคําสอนถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอน พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่สอนพวกเราคงจะไม่รู้แยกแยะไม่ออกเหมือนกันนะกายกับใจใจกับกายดวงนีนะ้จากนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวแล้วทีเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วเราก็นำมาพิจารณาร่างกาย อ, อย่างพระพุทธเจ้าท่านบอสสอนกรรมฐานให้พระให้สมมเนนที่เขามาบวชเกซาโลมาณนะ่าธัานตาต า, ตาโจรกรรมฐานห้านคื อ, อาคือผม โลมาคือขนนาขาคือเล็บทันตาคือฟันตาโจคือหนังเออเอาเพียงแค่นี้ก่อนนะเพราะมีเวลาน้อยให้ถึงหนังซะก่อนสรุปแล้วก็คือเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์ก็ต้องสอ น, อสนเอีเลเออให้พิจารณาอย่างไรพิจารณากายเนี่ยแต่พระอุปชาสอน เ, เพียงว่าถึงหนังเท่านั้นเองเอาให้พวกเราทะลุหนังด้วยสใิให้เหมือนกับร่างกายเนี่ยเป็นอาจาร ย, าย์ใหญ่ ในอยู่ในโรงพิจาบาลให้พวกเราช้ำแหล่หนังดูสิช้ำแหล่หนังตัวเองเหมือนกับเราช้ำแหละเห็นเขาช้ำแหละเนื้อวัวหนังวัวหนังควายหนังหมาหนังเป็ดหนังไก่หนังอะไรก็ทำเด็อเขาช้ำแหล่เราต้องทดลองช้ำแหละตัวเองดูสินื้อคิดดูสิเราก็ช้ำแหละ่ถลกหนังของตัวเองออกอพอถลกหนังของตัวเองแล้ร่างกายของเราจะแดงเถื่อใช่ไหมล่ะเอมันเลือดออก จากนั้นพอถลกหนังกองหนาไปกองหนึ่งเอาชแหละเนื้อเอาเนื้อไปกองหนึ่งเอ็อเอนกระดกูกแต่ละท่อนละท่อนออตัป์ปอสไต่ลำ ไ, ำไส้จำไล่ออกให้หมดเป็นกองกองกองเ่าอาการ32ร่างกายมีอยู่อาการ32ตั้งแต่ถอนผมถอนขนถอนเล็บถอนฟันถอนเนื้อเอ็อเอนกระดกูกถอนไปไว้แต่ละกองละกอง แต่ให้ให้นึกหนูในนึกในใจด้วยอันไหนคืออันไหนคือเราอันไหนคือของเราใจผมเป็นของเราใช่ไหมขนเป็นของเราใช่ไหมที่เป็นอาจารย์ใหญ่กองกองเล็บเป็นของเราใช่ไหมหนังเป็นของเราใช่ไหมเอ็นกระดูกเป็นของเราตับปอดเป็นของเราใช่ไหมใจใจมั่งเรออืมใช่ถ้ามันแตกกระจัดกระจายอย่างนี้มันจะเป็นของเราได้อย่างไรมันก็เป็นสภาพเนื้อเอ็นเนื้อหนังเอ็นกระดูก เป็นอาการส2สบสองของร่างกายแต่ถ้ามันรวมกันเข้าขึ้นมาเนี่ย ม, มันก็เป็นร่างกายของเราเราเนี่ยมีอยู่ในร่างกายของเราแต่แตาเมื่อเราแยกออกไปแล้วมันเป็นจริงไหมที่เรานึกคิดตัวนั้นมันเป็นจริงไหมถามใจตัวเองใช่มันต้องจริงแท้แน่นอนเลยในร่างกายของเราไม่เป็นอย่างอื่นต claro> ้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละร่างกายใจนะร่างกายของเรามันเป็นอย่างนี้นะอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายตัวนี้นะ แก่เจ็บตายละเลงละลายลงสู่ดินน้ำลมไฟเอาไฟเผาทิ้งนี่นะใจเป็นอย่างนี้นะแล้วขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรายังไม่ใช่ของเราเรายังไปยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นของเราอยู่เหรอในเมื่อร่างกายยังไม่ใช่ของเราแล้วสิ่งอื่นภายนอกละ่ะสาลาละ่ะปุตติละ่ะพ่อแม่ผีน้องสามีภรรยา ล, ลูกหลาน ยศถามรรดาศักดิ์เงินคำทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงยังจะเป็นของเราได้เหรอขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรานาะใจนะยาหลงหน้าใจนะคิดดูให้ดีนาใจนะในเมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาอยูในในใจของเราใจของเราจะมันก็อืมชายเอออันไหนควรอันไห น, น, ไหนมีควรอย่างไรเมันจะวางตัวถูกละนาะทีนี้นะเพราะใจ <c oughs> เพราะใจของเราไม่หลงไม่หลงร่างกาย ในเมื่อไม่หลงร่างกายก็ไม่ไม่หลงลาบยศสารเสริญสุขอย่างอื่นที่เป็นของภายนอกแต่ร่างกายแทๆ้ๆยังไม่ใช่ตัวตนของเราจะไปหลงสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรเยหลงห้โง่ททำไมหัวใจนะนี่แหละเมื่อเรามาย้อนถึงตัวใจคือตัวผู้รู้เนี่ยเมื่อตัวผู้รู้รู้แก่ใจแล้วใจของเราก็วางรู้จักวางตัวนะี่อันไหนควรมิควรอย่างไรนะย จากนั้นใจของเราก็ปล่อยวางไม่ยึดมัน่นถือมัน่นปล่อยวางในใจนะมันไม่ใช่ปล่อยวางข้างนอกนะปล่อยวางที่ใจปล่อยวางปล่อยวางที่ความรู้จึกนึกคิดของเราที่เห็นต่างความเป็นจริงนั่นละ่ะนิพิธามันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก่อนจะหลุดพ้นจากอาสวคัคคเลสในในช่วงนั้นนะในเมื่อเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงในจุดนั้นแล้วแต่ส่วนอื่นมันก็เหมือนร่างกายของเหมือนกัน นะครูบายอาจารย์ก็เหมือนกันมีธาตุจีดินน้ำลมไฟเหมือนกินทานอาหารเหมือนกันขับถ่ายเหมือนกันยังเหมือนกันหมดแต่ตัวตัวนั้นตัวที่รู้รู้นะ่ะตัวรู้แจ้งเห็นจริงจุดนั้นละ่ะมันต่างกันนะที่ท่านได้ตัดรู้ไ ด, ได้ได้บรรลุธรรมขึ้นมานะในจิตใจเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทาญาติโยมลูกหลานพระเนรทั้งหลายให้ได้ฟังให้รับฟังในการศึกษาในจุดนี้นะที่หลวงพ่อได้พูดว่า บันดิตานันจะเซวนาะนี่แหละให้ครบบันดิตนักปราชญ์ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ฟังไม่ได้ยินเสียงจากบันดิตนักปราชญ์เสียงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมเราไม่ได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดเพราะนั้นท่านจึงว่าบัณฑิตานันจะเสวนาะให้ครบบัณฑิตนักปราชญ์ บัณฑิตนักปราชญ์จะได้แนะนําสั่งสอนบัณฑิตนักปราชญ์ไม่ใช่หลวงพ่ออินนะอย่าไปคิดว่าหลวงพ่ออินนะบัณฑิตนักปราชญ์คือพระธรรมคําำคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเองแต่เป็นผู้เอาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้พบประสบพบเห็นมาแล้วมาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนพระลูกพระหลานศรัทธาญาติโยมไม่เข้าใจ น, ะนี่แหละแล้วก็บูชาบุคคลที่ควรบูชา พ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราดีแล้วเราก็ควรเทิดทูนบูชาพระคุณของท่านเออถ้าไป ม, มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านี้มาแนะนําบอกล่าเราจะเป็นคนดีได้อย่างไรจะเป็นพระที่ดีได้อย่างไรเราจะรู้แจ้งเห็นจริงได้อย่างไรเราขอกราบไหว้เทิดทูนบูชา บ, บูชาที่บุคคลบูชานะนี่แหละสรุปแล้วก็คือพวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทกันแหละพวกเราจรึงได้ ผลขวายศึกษาในสิ่งเหล่านี้เข้ามาสู่จิตใจของพวกเราเพราะนั้นในวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสัมโมทิยกรฐาที่ยกเป็นพุทธภาษีว่าบันติตา น, นจะเซวนาปูชาจะปูชนียานังขยะวยะธรรมมาสร้างฆ่าราตามที่ได้แสดงมาก็ได้อธิบายให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเป็นแนวทางแห่งการประพฤติธปฏิบัต และก็วิธีการปฏิบัติทำจิตตภาวนาทำอย่างไรพระพุทธเจ้าทําอย่างไ ร, ร, พ, งไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านทําอย่างไรท่านรู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรท่านแยกแยะสมาธิกับปัญญาอย่างไรสมถะและวิปัสสนาที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเป็นอย่างไรใจของเราหลงอะไรผลในสุดให้ย้อนมาหาตัวตัวใจคือตัวผู้รู้เพราะนั้นเมื่อพวกเรา ได้ยินได้ฟังแล้วก็นำมากันกรองไตรตรองเหตุและผลเพราะว่าหลวงพ่อย้ำอยู่เสมอว่าผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังจะได้รับความสงบได้รับความผ่องใส สุดตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทาจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งในเมื่อจิตใจของเราเป็นหนึ่งแล้วนะพวกเราก็จะได้นำเอามาพิจารณาการกองไตรตองเรื่องเหตุและผล ขัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, กจิตใจของพวกเราพวกเราจะเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ต, ตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์การกล่าวสัมโธมธ น, นิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนตรายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอานาจบุญบา ร, รมีของออหลวงปู่ของเราเ หลวงปู่ะะลีกุศลทโลหลวงพ่อทองของพวกเราที่เป็นเจ้าอาวาสด้วยบุญบา ร, รมีของครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้มาคุ้มครองพระลูกพันหลานาาจต่าญาติโยมขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเถิน